พระธรรมเทศนาแผ่นที่63าลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่12มีนาคม2557มีชื่อเรื่องว่าให้รู้จักทางานและปล่อยวางงานวันอพระ ทั้งหมดส3สารูปลงมาชั้น27งดชัน้นหกเหมือนงานข้างนอกก็คงไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้กําลังทำถังน้ำถังน้ำฝนเก็บน้ำฝนไว้ใช้หน้าฝนจากซาลาใหญ่ถ้าไม่ทำเก็บน้ำฝนเวลาคนไปทำการทำงาน เราจะอาศัยแต่น้ำขวดก็ไม่ไหวหลืจะขนน้ำไปจากข้างในไปใช้ก็คงจะไม่ไหวอีกเหมือนกันก็ควรจะเปิดน้ำฝนใช้เอาจากสาราใหญ่เพราะนั้นหลวงพ่อยึงอนุญาตให้สร้างถังน้ำทำถัาางน้ำใหญ่สองถังผ่าวัดชูนกลาง4เมตรสูงหเมตรสองถังคิดว่าเหลือใช้ ที่ั้งเดียวก็เหลือใช้แล้วแะแต่ทำเผื่อไว้เผื่อน้ำฝนน้ำฝนมันทิ้งไวเ้เฉยๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าใครต่อไปภายภาคหนากใครต้องการดื่มน้ำต้องการน้ำฝนเอาเอ า, เอาไปดื่มได้มาเอาได้แล้วก็ยังคิดอยู่ว่าน่าจะมีถังกรองถังกรองสักถังหนึ่งสำหรับ กรองน้าฝนอีกที่หนึ่งให้คนได้ใช้แล้วก็ทำห้องน้ําอีกเพิ่มขึ้นอีก2ี่สบห้องวันนั้นเห็นลูกหลานลาชินโอเทศเข้ามาเจ็ดร้อยคนมาเข้าห้องน้ลนะโอ้ห้องน้ําของเราเนี่ยน้อยไปแล้วก็เลยบอกให้พระคณะกรรมการทำขึ้นมาอีก2ี่สิบห้อง คิดว่าจะให้ทันจะให้ทันวันที่23่สิบน่นนะให้ได้ใช้ถึงจะไม่เสร็จก็ให้ได้ใช้วันที่23วันที่23ก็ไม่มีอะไรงานของเราก็ไม่มีอะไรมากเพียงว่าตอนเย็นวันที่22่สิอพระสงฆ์มาศรัทธาญาติโยมมาก็ไหว้พระสมาทานศีล เมื่อไหวพระสมาทานศสร็เรียบร้อยแล้วก็อาราธนาพระปริตมงคลกระสวดคงจะสวดพระปริตมงคลสวดมงคลเสร็จแล้วก็คงจะมีการกล่าวสมโภชนิยกรถาหลวงพ่อเองจะเป็นคนกล่าวเองเพราะเป็นเจ้าของบ้านพูดเองว่างานนี้คืองานอะไรแล้วก็จะแนะนำเรื่องงาน มีจุดประสงค์อะไรหลวงพ่อจะพูดเองจะแนะนำว่า ง, งานนั้นคืออะไรมีจุดประสงค์อะไรจากนั้นก็เมื่อก่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลวงพ่อก็คงจะให้สินให้พรแล้วก็คงจะกลับพ่อมากลับวัดจากนั้นพี่น้องประชาชนจะสวดสมโพธิ พระพุทธปติมาต่อก็ได้สุดแท้แต่ตามอัธยาศัยเพราะยังไงยังไงก็มันก็ไม่กวนเข้ามาสู่วัดอยู่แล้วเสียงก็อยู่ข้างนอกจะสวดทางนู้นก็ได้จนเอาจนเหนื่อยหรือตลอดทั้งคืนก็ได้สุดแท้แต่ปุ่งในเช้าก็บบินทบาทบินเทาบา ท, บ ท, าบาทชันในขณะที่ ระนั่งฉันตอนเช้าเราอาจจะถวายจตุปปัจจัยไทยธรรมหรือใบประวัรณาพระสงฆ์ที่มาร่วมงานตอนเช้าวันนั้นแหะขณะที่นั่งฉันก่อนที่จะให้พรแต่ถ้าว่าเราถวายตอนเย็นก็คงจะกูบายจารย์บางองค์อาจจะยังมาไม่ถึง ต, ตอนเช้าเราก็คงจะถวายจตุปปัจจัยไทยธรรมก่อนที่จะถวาย จะตัวปใจใัจเจกจะทาก็คงจะกล่าวคําถวายเป็นจิตจลักษณะสักหน่อยคือกล่าวคําถวายทานถวายศาลาถวายพระพุทธปฏิมาถวายเซนาชนะสงที่เราสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณที่สร้างวัดป่านาคำน้อยของเรามาตั้งแต่เริ่มแรก ทั้งกาลังทรัพกํกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังความคิดที่ได้สร้างวัดป่านาคำน้อยของเราที่ล้มหายตายจากไปดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นจูณสถานที่ใดขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลถ้าว่าพวกเรายังมีชีวิตอยู่ข อ, ขอใหเจริญยิ่งด้วยอายุวัณนะสุขะภาละลาบยศฉลเสริญสุขการทำบุญในคราวนี้ก็คือมีสม ถวายศาลาเซนาสะนะพวกห้องนา้ากุฏิถนนนี่แหละสื่อว่าเซนาสะนะทั้งหมดแล้วก็พร้อมถวายพุทธปฏิมาตัวแทนพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ เ, เสียสละทุนทรัพย์ร่วมกันสร้างพระประธานจากนั้นก็อุทิศ ส, ส่วนกุศลถูตอบัน พระชนเรียกว่าอุทิศโชนกุศลต่อผู้มีอุปกรคุณที่ได้ที่เริ่มสร้างวัดจากนั้นก็ถวายเจตุปจัจจัยทายธรรมพระสงค์อนุโมทนาให้พรในเมื่ออนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะญาติโยมทั้งหลายรับทานอาหารตามอัธยาศัยเมื่อรับทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับเข้ามาเลยกลับเข้ามาอีกทีนี้ก็คือจะได้บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุบนเสียญพระประธานบนยอดเสียญพระประธานพวกเราทั้งหลายทั้งศรัทธาญาติโยมทั้งพระสงฆ์ทั้งพระสงฆ์ศรัทธาญาติโยมก็สวดอิติปิโสพร้อมกันอิติปิโสภาควาอรหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตสุปฏิปนโน่เกจบทํำไมยังสวดเก้าจบเราเอาเป็นพุทธประสงค์ ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามัคสีผลสีนิพพานหนึ่งะเป็น9ใช่ไหมละ่ะมัคสีผลสีนิพพานหนึ่งเราสวด9จบจากนั้นก็พระสงฆ์ก็ใช้ยมงคลคาถาปรับพรมน้ำพระพุทธมนต์ก็เป็นอันเสร็จพิธีในวัน 22-23 ี่ละงานของพวกเราจะ หน้าตาลักษณะอย่างนี้แหละอันนี้พูดเป็นข้าวให้ฟังเพื่อให้พวกเราได้รู้ไว้ก่อนว่างานของหลวงพ่อเนี่ยเพราะไม่มีใบดีกาไม่มีใบนิมนไม่มีหมายหมายกหนดการไม่มีกาหนดการนะไม่มีกาหนดการที่พวกเราจะดำเนินงานนะเพราะนั้นหลวงพ่อพูดเป็นข้าวไว้ให้พวกเราแต่ขยับขยื้อนได้แต่ขยอยในวงนี้แหละ ไม่ให้เสียเว ล, เวลาตัวไห น, นพอจะขยับตัดออกได้ก็ตัดออกถ้ามันจะยืดเยอะเรื้อลังเกินไปถ้าว่าตัวไหนที่มันจะกระชับเกินไปเราก็ขยายขยายออกสักน้อยเพื่อให้มันเข้ารูปแบบนี่แหละอันนี้เราเราก็ช่วยๆกันคิดนั่นะที่หลวงพ่อได้ได้พูดนะนี่แหละเรื่องงานก็คิดว่าเมื่อทางน้ำ เสร็จแล้วเมื่อห้องน้ําเสร็จแล้วก็คงไม่มีอะไรละหลวงพ่อกค ง, งจะให้พักนะวัดของเรามันทํางานมาจนยืดเยื้อเรือเ้อรังพอแรงละน่าจะพักผ่อนบ้างพระก็คงจะล้าเต็มทนเหมือนกันให้พักผ่นนั่งภาวนาบ้างงานของหลวงปู่จามก็พอแรงใช้พระปีนึ้มากจริงจริ ง, รงตั้งแต่สองปีมาแล้แต่ปีที่แล้วมาปีนี้ถ้าหากว่า มีแต่เน้นแต่เรื่องการเรื่องงานอย่างเดียวก็อย่างที่หลวงตาทับมหาบัว ท, ที่ท่านพูดพอสร้างแต่โบสถ์แต่สร้างแต่ศาลาสร้างแต่วัดพอสร้างไปแล้วเนี่ยกระดูกพระทั้งหลายแหลน่นี่ที่สร้างศาลาที่สร้างโบสถ์พอสร้างเสารา็จแล้วก็ไปฝังในฐานโบสถ์ฐานศาลานั่นแหละใช่ไหมฐานกําแพงนั่นแหละทําไมหลวงตาท่านพูดอย่างนั้นหลวงตาท่านพูดว่า เ, เมื่อพระทำการก่อสร้างมากใจก็ส่งออกส่งออกส่งออกส่งออกผลในสุดส่งออกจากศีลจากธรรมจากคุณธรมรมศีลธรรมจริยธรรมจากศีลสมาธิปัญญามีแต่ส่งออกนอกผลในสุดพระก็เลยตายตายออกจากเพศของพระไปเป็นฆราวาสนี่แหละคือตายจากคุณธรรมในจิตใจแล้วก็พระตายหมดแล้วจะทํำยังไง โบสถ์วิหารจะเกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์พอเหตุหายเพราะพระผู้ที่จะทำลงทรงธรรมตายไปหมดแล้ววันนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อก็ได้คิดเหมือนกันหลวงพ่อได้ใช้พระเยอะจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วก็เห็นก็น่าเห็นใจแต่ที่ยังไงก็มองอีกมุมนึง หลวงพ่อมองอีกมุมหนึ่งก็เป็นการเรียนรู้ศึกษาในการครบค้าสมาคมอย่างงานหลวงปู่จามอย่างนี้งานอย่างนั้นเราจะใช้สติใช้ปัญญาใช้แนวความคิดใช้ความรอบคอบอย่างไรในชุมชนกลุ่มคนใหญ่อย่างนั้นพวกเราก็ได้เรียนรู้วิชาหนึ่งจากนั้นก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับในวัดของเรา การก่อสร้างมีผู้พานําอย่างอาจจะหน่อยเป็นผู้พานาการก่อสร้างทํายังไงอย่างเนี้ยพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายก็พระน้อยพรนหนุ่มทั้งหลายเกิดมาใหญ่ทีหลังก็ได้เรียนรู้ว่าวิธีการก่อสร้างดาเนินงานเนี่ยทายังไงติดสอบประสารงานยังไงทํายังไงอันนี้ก็ถ้าพูดอีกแนวหนึ่งก็เพื่อการศึกษา ถ้าเราไม่ได้ศึกษาในสิ่งเหล่านี้นะในเมื่อเป็นผู้ใหญ่เป็นสมภารต่อไปภายภาคหน้าพวกเราวางแผนไม่ถูกตีตะปูก็ไม่เป็นไปสร้างวัดขึ้นมามีตะยมทายกต้มกินอยู่ตลอดเพราะเห็ุออไรเพราะไม่รู้จักวางแผนอันราคาในราคาเท่าไหร่การดำเนินชีวิตการดำเนินงานทำอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นพลให้สูงก็เลยไม่ไปหน้ามาหลัง ถูกตะขอหลอกอยู่ตลอดแต่ถ้าเราได้เรียนรู้ในศึกษาในสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะรู้จักวิธีการอย่างหลวงพ่อเน่ยหลวงพ่อการศึกษาหลวงพ่อไม่ได้สูงนะแต่หลวงพ่อนัเป็นนักสังเกตมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อทําเป็นหมดเกือบทุกอย่างในการก่อสร้างเพราะฉนั้นหลวงพ่อออกมาเนี่ยหลวงพ่อมองดูรู้เลยว่าควรจะวางแผนยังไงถึงจะไม่หลูหาโออาก็เถอะแต่ก็ มองดูรู้ว่าการดำเนินงานนีจะไปในลักษณะอย่างไรซ่สิ่งเหล่านี้เราต่อไปภายภาคหน้าไม่ใช่ว่าจะอยู่กับหลวงพ่อตลอดไปพวกท่านทั้งหลายพร้อมที่จะออกเป็นผู้ใหญ่ศึกษาเป็นเจ้าของกิจการหรืเเอเป็นเจ้าอาวาสบางองค์นะนี่แหละสิ่งเหล่านี้ก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็เพื่อการศึกษาก็เป็นประโยชน์ ส่วนหนึ่งมั่นกันไม่ใช่จะให้โทษอย่างเดียวแต่ถ้าว่ามมกมุ่ม่นแต่การทำงานอย่างเดียวนั้นให้โทษแน่ๆ อ, อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพยากรณ์ไว้เลยล่ะตายจากคุณธรรมแล้วกระดูกไปอยู่ในฐานโบสถ์สารวิหารฐานกำแพงวัดสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆองค์นะหลวงพ่อเขาคงจะให้พวกท่านทั้งหลายช่วยกันดูเรื่อง ศาลาเรื่องถังน้ําเรื่องของน้ํำต่อไปนั่นก็อีกเดือนหน้าก็ใช้อีกแล้วท่านวันเกิดของหลวงพ่ออีกมันก็ไม่น้อยอีกเหมือนกันพวกท่านทั้งหลายก็จะได้ช่วยกันดูจุดนั้นอีกก็คงไม่หนักหน า, นาหละจุดนั้นแต่ต้องได้ใช้หัวได้ใช้ความคิดบ้างควรจะจัดการยังไงบริหารยังไงกับผู้คนที่มาเกี่ยวข้องอันนั้นก็เป็นวิ ช, ชาอีกตัวหนึ่งอีกเหมือนกัน แต่ถึงยังไงก็ตามหลวงพ่อเนี่สอนพระเนนของหลวงพ่อเนี่ยอย่าไปลืมตัวในค่าใช้จ่ายในเมื่ออยู่กับหลวงพ่อมีอะไรก็สั่งของสิ่งสังดะไปหมดพอออกไปเลยทําอะไรไม่เป็นพอสั่งเข้าไปเขาไม่ปฏิบัติตามอย่างเหมือนกับอยู่กับครูบาอาจารย์ได้ทีไหนผลที่สุดก็ไหนะหน้าม้อยไปและทีไหนผลที่สุดทําอะไรไม่เป็นเพราะเหตุไรเพราะลืมตัว เหมือนกาจับภูเขาทองลักษณะอย่างนั้นแหละหลวงพ่อเน่ยเคยพูดเสมอเหมือนอยู่องค์หลวงตาเมื่อเราอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับหลวงตาเหมือนกาเกาะภูเขาทองเมือ่อเกาะภูเขาทองตัวเองเหมือนเป็นอารมเป็นศักเป็นสีนสพอห น, นีออกจากครูบาอาจารย์แล้วเหมือนกับกาตัวหนึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องได้คิดไว้อยู่เสมอไปอยู่นสถานที่ใดที่ใดถินด่นใดอย่าลืมตัวพูดง่ายๆ อย่าลืมตัวอย่าไปประจบประแจงอย่าไปขอสิ่งของเขาเกินเกินเกินความจำเป็นที่จะขอได้ก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็อขอได้ถ้าจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าอย่าไปขอสิ่งของของเขาผู้ขอย่อมไม่เป็นที่ถูกใจของผู้ถูกขอ ผู้มีปัญญาไม่ควรจะขอเลยอสิ่งเหล่านี้อพวกเราทุกๆ ท, ท่านะแต่หลวงพอ่อที่เป็นหัวหน้าก็เถอะถึงจะพูดยังไงหลวงพ่อถึงจะขอหรือจะพูดไปหลวงพ่อไม่ใช่ให้เขาหนักใจนะเออบาทงทีหลวงพ่อยังเอาเงินจตุปัจจัยวัดให้เขาแทนให้เขาไปเลยเอไม่ใช่ว่าเราจะขอแบบ หน้านือ้อดื้ อ, ด, อด้า น, านไม่ได้นะอพระของเราเหมือนกันเห็นเขาประวลนาแล้วเบอกสุ้ม 4, สี่ซุมห้าไม่ได้นะภายในวัดหลวงพ่อนะจะเป็นใครนะถ้าใครก็ตามเนะีเสียงสะท้อนย้อนกลับมาหาหลวงพ่อนะอไม่ได้เด็ดขาดนะเพราะฉนั้นต้องระวังแต่พวกเรานั่งอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันพระองคไหนขอสิ่งของบอกมาหลวงพ่อจะไล่นี่ออกจากวัดนะ เพราะหลวงพ่อไม่ต้องการหลวงพ่ออยู่อย่างพระงูอยู่อย่างพระปฏิบัติอย่างพระพระต้องรู้เท่ารู้ทันฆราวาสญาติโยมเขาเลี้ยงขอบเลี้ยงคัวกว่าจะได้เงินมาไม่ใช่ของใดง่ายง่พวกเราอยู่แบบลืมตัวเราจะต้องการอะไรอีกพอแล้วอย่างกุฏิหลวงพ่อก็เหมือนกันหลวงพ่ออนุญาตให้ทา เมื่อทำกันคิดว่ามันจะเสร็จเร็วสองปีก็ยังไม่เสร็จข้ามปีนี่มันเกือบสองปีนะอะข้ามปีมันยังไม่เสร็จอยู่นี่ก็ยังไม่เสร็จ้าคิดว่ามันจะนานขนาดนี้หลวงพ่อไม่อนุญาตให้ทำหรอเสียเวลาหลวงพ่อจะไปพักที่ไหนก็นู่นไปหาพักที่อื่นเดียวนะรีบรีบทำให้มันจบจบไปหลวงพ่อไมไ่ใช่ความหรุ่ลราสวยงามอะไรแต่หลวงพ่อก็บอกว่าเออเราไม่คิดว่าเราจะแก่ จะหนุ่มไปข้างหน้าทำชั้นล่างก็ทำซะเพื่อเราจะได้ใช้เมื่อแก่ เ, เหมือนกับหลวงตามหาบวแเราก็ขอโอกาสพระแม่กุูจารกุฏิของพระแม่กุูจารทําที่พักไว้ข้างล่างดีไหมเนาะครับผมเพื่อจะได้ใช้เฮ้ยอย่ามาโยงกับเราเราจะดูเองไม่ต้องโยงพอต่อมา ปีสองปีค้งจุดท้ายน่ยโอ้จะทำที่พักของเราก็ทำใช่ไนะจะทาที่พักของเราก็ทํา้ะชั้นล่างเราคงขึ้นกุติไม่ไหวแล้วชั้นบนในหลวงตาท่านบอกแต่ขนาดนั้นลูกศิษย์ยังมาทะเลาะกันอีกเด็เททะเลาะกันบอกว่าเอา้าเราจะไปทำยังไงกุติของหลวงตาเดี๋ยวเสียรูปแบบเสียการ ที่ท่านได้สร้างไว้แล้วเราจะไม่ตกแต่งไปทํายกกุติของท่านขึ้นไปจะทําได้ยังไงพู้นะ่ะลูกศิษย์บางคนยังอนุรักษ์กุติยิ่งกว่าอนุรักษ์หลวงตาอีกต่างหากฮหลวงพ่อได้ยินกัฟังดูแล้วอคิดได้ยังไงพูดได้ยังไงคิดได้ยังไงะจะอนุรักษ์กุติยิ่งกว่าอนุรักษ์หลวงตาและจะให้หลวงตาไปอยู่ที่ไหนดันก็บอกว่า ท่านขึ้นไม่ไหวแล้วกุฏิมันสูงแล้วจะทำยังไงแล้วก็ต้องยกกุฏิของท่านขึ้นไปผลที่จ็อย่างที่ว่านั้นก่อนที่จะทำได้ก็อกพอสมควรเหมือนกันนี่แหละหลวงพ่อรู้เหตุการณ์ตั้งแต่ทีแรกนีเน่เราก็คิดว่าเออเอ า, เอากุฏิของเราเนี่ยน่าจะทำ เ, เป็นที่พักซะ เ, เพื่อเราได้เมื่อแก่เมื่ออายุมันทำไม่ตายง่ายแต่เราไม่ตายง่าย เราก็คงจะได้อยู่ชั้นล่างเพื่อได้ขึ้นไปแล้วก็ได้พักแต่ทุกวันนี้ก็เถอะนะอที่กุฏิหลวงพ่อมันเป็นเนินนะเอยเป็นเนินขึ้นไปต่อไปเราคงไม่ไหวเหมือนกั น, น่ะคงจะได้ใช้รถเดินขึ้นไปทุกวันเยพอเดินทุกวันนี่หักเลยกันไม่เหมือนแต่ก่อ น, น่เออมันจะเก้าเลขเจ็ดอายุจะเข้าเลขเจ็ดล้วเลยนะลูกลานนะ เพราะจะไปที่ไหนต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะนั้นเรื่องกุติของเราได้เพียงแค่นี้พอใครอย่าไปขยายอะไรอีกนะใครอย่าไปคิดอะไรต่อไปอีกหยุดเราลาคาญจนพอแรงกว่าที่จะจบทั้งจุดนี้ได้แต่ว่าดีไหมดีอนุโมทนาในน้ําใจของผู้ที่ทำอันได้บุญกุศลมากๆแต่เพียงพอแล้วล่ะหยุด ไม่ควรจะเน้นทางด้านวัตถุมากจนเกินไปควรจะเน้นทางนามธรรมจิตตภาวนาให้มากสิก่งเหล่านี้เพียงแค่นี้พอแล้วล่ะหรูหราโออาเกินกว่าชีวิตของหลวงพ่อชีวิตของหลวงพ่อคืออะไรกมพืชหลวงพ่อลูกชาวนาเนะออ น, นั้นลูกชาวนาได้ขนาดนี้พอแล้วรู้จักสถานะของตนเอง ไม่ให้ใครเดือดร้อนอยู่อย่างพระฮะได้ขนาดนี้พอนะาลูกหลานแต่ใครจะทำอะไรค่อยว่ากันไปข่าใครออกไปเป็นสมภารจะกระโดดโลดเต้นสร้างขึ้นมาร้อยชั้นพันชั้นก็นสุดแท้แต่พวกสุเจา้าแต่สำหรับวัดหลวงพ่ออินขนาดนี้เพียงพอแล้วละ่ะอยู่แบบสมัะิฐาง่ายๆไม่ง่ายๆละมันใหญ่ถึงขนาดนี้แล้วอันนี้นขอฝากไว้กับพวกลูกพวกหลานพระเนน้องนุง่งทั้งหลายทุกอ ง, งนะ นี่แหละหลวงพ่อพูดให้ฟังคือจุดยืนของหลวงพ่อมีเท่านี้แหละไม่ได้มุ่งหวังอะไรมีแต่อยากจะให้พวกพระเนรที่มาพักผ้าใสยตั้งอกตั้งใจภาวนาเร ะ, ะลึกถึงความตายสบายนักหักโลภหักโกรธหักหลงในสงสารถ้าคนเราระลึกถึงความตายเพราะนั้นเราจะอยู่ไปอีกกี่ปีอายุหลวงพ่อเจ็ดสิบแล้วนลูกหลานน ะ, ะจะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ ใครจะว่าขอหลวงพ่อรักษาสุขภาพเออใช่หลวงพ่อรักษาสุขภาพไปแล้วหายใจทุกลมหายใจไม่เคยกั้นหายใจเลยมีอะไรอาหารอร่อยหลวงพ่อก็ชันหลวงพ่อเหนือ่อยหลวงพ่อก็นอนรักษาสุขภาพดีอยู่แล้วลแหลอแต่มันจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่อันนั้นไงสุดแท้แต่ใครจะไปห้ามมันได้เฮ้เจนเลือดไปอุดในหัวใจเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น่ะ เรื่องจุดหายใจเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นชีวิตของพวกเราเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานวันก่อนอหลวงพ่อเป็นไงชีวิตของผมที่ผ่านมาโอโหทุกข์กำลําลำบากเจ็บไข้ได้ป่วยเกือบจะเอาตัวไม่รอดคงจะผ่านไปละมั่งหลวงพ่อเนาะคงจะเบาบางคงจะหยุดไปแล้วเนาะเออใช่คงจะหมดไปละนะ่ที่นี่นะ มรสุมจุดนี้คงจะผ่านไปแล้วละ่ะแต่หลวงพ่อมองดูต้องมองดูคนก่อนนะก่อนที่จะพูดนะถ้าเขาอ่อนแอหลวงพ่อก็จะพูดอย่างนี้แต่ดูๆแล้วจะเป็นพระหรือเป็นคนที่เข้มแข็งที่ภาวนาหลวงพ่อจะพูดอีกแบบหนึ่งนะหลวงพ่อจะพูดเอยข่าวหน้ายิ่งหนักกว่านี้ข่าวนี้เพียงเบาๆท่านเองถ้าเป็น เสนาอำมาตทหารกับเพียงทหารปลายแถวมาแย่เล่นท่านเองเอมันไม่ใช่ทหารขุนพลของเขาถ้าขุนพลเข้ามาเมื่อไหร่หนักกว่านี้เพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะทำไมตรงพ่อพูดอย่างนั้นเพราะว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะมันนิดหน่อยท่าเองแต่มรณะภัยถึงความตายเข้ามาถึงนั่นนะพยามัจยุราชมาบีบคอนะั่น มันหนักกวันที่ผ่านมาหลายเท่าพันทวีเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้บุญกุศลที่อยู่ในจิตใจพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสบอกกล่าวสอนเอาไว้แล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ทาคุณงามความดีสร้างบุญกุศลเข้าสู่จิตใจจิตใจตรงนั้นละออกจากร่างนี่แล้วจะไปเกิดในภพภูมิต่าง เข้าสู่สวรรค์นิพพานก็คือใจ น, นั่นแหละจะไปตกนรกหมกไหมก็คือใจ น, นั่นแหละแต่ร่างกายของเราเนี่ยเอาไปเผาไฟทิ้งแน่นอนกระดูกเอาไปด้วยไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะเนี่ยหลวงพ่อเตือนๆอย่างนั้นนะที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่ผ่านมาเนี่ยมรดสมทีม่ผ่านมาทุกๆจากๆที่ผ่านมาเนี่ยจิ๊บจ้อยอแต่ขั้นสุดท้ายที่จะมาเอาจริงๆเลยจุดนั่นละ่ะ เราจะารับยังไงเตรียมพร้อมกันแล้วกันทุกคนต้องมีจุดนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นเราก่อน ท, ที่จะถึงจุดนั้นเราให้เราเตรียมพร้อมสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศสนอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องวางแผนในชีวิตของพวกเราทุกๆ ท, ท่านน ะ, ะตอนน่อนี่อไปรับพรอนุโมทนาให้พร